ผีเปรตที่ยอดพระปลาง ส, สัมผัสสยองใครทำอะไรอย่างไรไว้ก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้แน่นอนว่า การทำบาปกับบิดามารดานั้นกรรมจะหนักมากทำกับผู้บริสุทธิ์หรือผู้ทรงศีลกรรมก็หนักมากเช่นกันในพระพุทธศาสนาจึงได้สอนให้ทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วละจากบาปทั้งปวงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ ซึ่งอาจจะมีเรื่องหลอนปนอยู่บ้างในเรื่องนี้ก่อนอื่นเราขอถามว่าพวกคุณเชื่อเรื่องบาปกรรมที่คนทำ บ, บาปมากๆตายไปแล้วกลายเป็นเป็ดหรือเปล่าส่วนตัวเรานั้นเราเชื่อเพราะทางบ้านเราเขาสอนให้เชื่อเรื่องบาปกรรมมากๆและเราก็มักจะได้ฟังนิทานธรรมเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมาเยอะอยู่เหมือนกัน ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องนี้เราขอใช้ชื่อแทนตัวเองว่าปลายซึ่งเป็นนามสมมุติพวกคุณเคยได้ฟังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่ามันเป็นการกระทำที่แปล ก, ปลกเป็นความเชื่อของคนแถวบ้านปลายว่าตอนกลางคืนให้เอาเข้าวต้มมัดมามัดเกี่ยวแล้วเดินวนรอบโบสถ์สามครั้งเดินทวนเข็มนาฬิกา พอเดินครบสามรอบก็หันหลังให้โบสแล้วมองลอดใต้วางขาดูจะเห็นเปรตเอือ้อมมือมาหยิบข้าวต้มมัดที่เอวของเราปลายเคยฟังเรื่องนี้มาจากคนแก่ที่อยู่บริเวณวัดแถวบ้านปลายวัดแถวบ้านปลายจะมีพระปางที่เก่าแก่มากขออธิบายลักษณะ ร, บรอบๆวัดก่อนว่าวัดนี้จะมีโบสอยู่ตรงกลาง พระปรางจะอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือจะเป็นศาลาการปเปรียญหน้าวัดจะมีพื้นที่เดินกว้างๆพอที่จะให้รถยนต์เข้าได้และก็จะมีคลองหน้าวัดตรงจุดที่เป็นคลองเมื่อก่อนเขาจะใช้เรือในการสัญจรก็จะมีการพายเรือขายของกันพอมีการขายของพายเรือขายในน้ําแล้ว ข้างๆตลิ่งก็จะมีร้านค้าอยู่สมัยก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเปิดร้านกันแต่แด็ชาวมือก็จะต้องเอาของมาตั้งเตรียมร้านก่อนวันหนึ่งไปงานศพซึ่งคนแถวนั้นเขาจะรู้จักกันหมดเพราะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนก็รู้จักกันทุกคนเวลามีงานบุญหรืองานศพเขาก็จะมาช่วยๆกัน ปลายก็เดินไปกับญาติญาติปลายพอจบงานศพเขาก็นั่งจับกลุ่มคุยกันปลายก็ไม่เคยได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่แต่หูมันมาสะดุดหยุดตรงที่มีลุงคนหนึ่งพูดถึงเรื่องเปรตขึ้นมาลุงคนนั้นแกออกจะเมาพอสมควรเพราะเขาจับกลุ่มดื่มเหล้ากันด้วยลุงเปียกแกพูดว่า ฮุกเองเชื่อเรื่องเปรตไหมอะเล่วทุกคนในนั้นก็เงียบขึ้นมาทันทีรวมทั้งปลายด้วยทุกคนทำท่าเหมือนพร้อมที่จะฟังลุงเปียกแกก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเปรตให้ฟังซึ่งแกเล่าว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาเดินไปซื้อของกลับมาแล้วเจ้าของมาไว้ที่ร้านแต่ไม่รู้แกคิดอะไรอยู่ ถึงาของมาไว้ที่ร้านตอนตีสองซึ่งร้านมันก็อยู่หน้าวัดนี่แหละแล้วมันก็ได้ยินเสียงแม่ค้ามันคงนึกว่าเป็นเสียงลูกหมูตัวเล็กๆที่มันร้องอีดๆก็เลยไม่สนใจจนมันหันมามองที่พระปางก็ตกใจกับสิ่งที่เห็น มันบอกว่ามันเห็นเปรตยืนข้างพระปางเท่านั้นแหละข่าวของตกกระจายเกลื่อนไปหมดเลยแล้วก็จับไข้หัวโกรนไม่ได้ขายของมาตั้งหลายวันแล้วลุงเตียกแกยังเล่าต่ออีกว่าวันก่อนนู้นเน่ข้าไปนั่งกินที่บ้านพี่คนหนึ่งมาแต่ข้าไม่ได้เมานะเว้ยข้าเดินผ่านพระปางข้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนใส่เสื้อสีออกแดงๆยืนอยู่ข้างพระปางนั้นข้าก็หยุดมองสักพักแล้วข้าก็มองไปมองมาแม่งมันเริ่มตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเวยข้าไม่อยู่ให้งโง่หรอกข้าวิ่งแต่แต่มันเริ่มสูงขึ้นแล้วพอลุงเปียกพูดจบลุงของปายก็หัวเราะเสียงดังกว่าใครเพื่อนแล้วก็พูดเหมือนท้าทายลุงคนนั้นว่าแกแน่จริงหรือเปล่า ทนแน่จริงเดินรอบโบสถ์ตอนนี้ไหมล่ะพอลุงเปียกแกได้ฟังคาําท้ามีหรอจะไม่กล้ายิ่งตอนนั้นเพื่อนเื่นก็อยู่เยอะด้วยรวมทั้งแกค่อนข้างจะเมาแล้วตอนเวลานั้นมันก็ไม่เด็กมากสักเท่าไหร่มันเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆลุงเปียะแกก็เดินไปที่โบสถ์แล้วพวกลุงของปลายก็เดินตามไปดู ไม่รู้ว่าพวกแกคิดอะไรกันอยู่ถึงมาท้าทายเรื่องแบบนี้แต่ปลายไม่เดินไปหรอกไปลกลับบ้านก่อนกลับไปกับป้าปลายปลายก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงตอนเชา้าปลายตื่นขึ้นมาก็มาคุยกับลุงของปลายตามปกติปลายถามแกว่าเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างลุงเปียกแกเดินจริงไหม แล้วเจออะไรกันบ้างหรือเปล่าปลายพูดไปก็ขำไปแต่ลุงปลายขำไม่ออกสีหน้าของลุงไม่ยิ้มแย้มเลยแถมยังทำหน้าหวาดกลัวอีกด้วยซ้ำลุงของปลายเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เปียกมันไปเดินวนรอบโบสถนะ์น่ะมันไม่ได้เดินอย่างเดียวนะมันเดินไปก็เาไม้มาเคาะพื้นด้วยแล้วมันยังพูดอีกด้ยวยว่าผีเหรอออกมาสิ พอมันเดินไปได้รอบหนึ่งลมก็เริ่มพัดแรงจากนั้นพวกลุงก็ได้ยินเสียงมันดังมาจากพระปางไอเปียกมันยังเดินไม่ทันครบสามรอบเลยมันก็บอกให้พวกลุงวิ่งเข้าไปในโบทเปรตมาแล้วพวกลุงก็หันไปมองทางพระปราง ก็เห็นเปรตจริงๆอย่างที่มันว่าเปรตตัวนั้นมันตัวสูงมากสูงกว่าพระปางเสียด้วยซ้ำลักษณะของมันตัวผอมแห้งตาทะลนปากจุ๋มีผ้าสีแดงๆอยู่ตรงเอวของมันฮุกลุงรีบวิ่งเข้าไปในโบสแล้วก็นอนในโบสนั่นแหละจนถึงเช้าพอเช้ามาลุงถึงได้เดินกลับบ้านมนานี่ไง แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ปลายก็ฟังมาจากลุงของปลายเหมือนกันซึ่งข้างบ้านเก่าของลุงปลายจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของนาเปิลซึ่งไม่ใหญ่เท่าไรนักแต่พื้นที่นั้นใหญ่พอสมควรนาเปิลแก้อยู่กับแม่กันสองคนซึ่งแม่แก่ก็แก่มากแล้วเวลานาเปิลออกไปหาปลาก็ชอบขังแม่อยู่ในบ้านคนเดียว กว่าแกจะกลับบ้านก็มืดแล้วก็มีข้าวเก่าบุบๆทิ้งเอาไว้ให้แม่กินบ้านของนาเปิลในสมัยนั้นจะสร้างด้วยใบายจากและไม้ไผ่มีอยู่วันหนึ่งนาเปิลขังแม่ไว้ในบ้านคนเดียวแล้วแม่ของแกคงอยากจะออกมาข้างนอกก็เลยเอามีดค่อยๆฟันใบาจากเพื่อดีแกจะได้ออกมาข้างนอกได้ แต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะนาเปิลเขากลับมาเจอพอดีแกเห็นแม่กำลังใช้มีดฟันฝาบ้านอยู่นาเปิลก็เลยปลีเข้าไปทุบตีแม่ตัวเองอย่างทารุณแกตีแม่ทุกวันให้แม่กินแต่กับข้าวบดเป็นประจำจนในที่สุดแม่แกก็เสียชีวิตได้โรคชราในเวลาต่อมา หลังจากที่แม่แกเสียไปแล้วก็มีวันหนึ่งนาเปิลแกก็ออกไปหาปลาเหมือนอย่างเคยแกลงไปงมหาอะไรสักอย่างแล้วก็พลาดท่ายังไงไม่รู้จนทำให้แกจมน้ำตายหลังจากที่แกตายไปได้ประมาณเกือบปีที่ดินตรงบ้านนาเปิลก็รกรงังแล้วหมักจะมีคนได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงของเปรต บางคนก็ว่าเสียงที่ได้ยินก็คือนาเปิล น, นี่แหละชอบทุบตีแม่พอตายไปก็เลยกลายเป็นเปตจึงต้องชดใช้กรรมอยู่ตรงที่ดินผืนนี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวของนาเปิลเองนั้นจะต้องชดใช้เวรกรรมไปถึงเมื่อไหร่ พัดสยอง